ก็เจริญพรธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติรู้สึกตัวก็เดี๋ยววันนี้หลวงพ่อว่าจะซักซ้อมความเข้าใจเรื่องที่เคยทำแบบฝึกหัดมาเนะี่ยเป็นการโทษทวนอีกครั้งหนึ่งคนที่ เ, เรียก ว, ว่าเข้าใจแล้วทำเป็นแล้วก็จะง่ายนะแต่คนที่ ยังทาไม่เป็นยังไม่เข้าใจก็คงยังยากอยู่แต่วันนี้ก็เลยมามาฝึกกันอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. จะทดทวนทบทวนนะทบทวนสิ่งที่เคยทำเป็นเม mm hmm. ื่ม อ, อ ก, กี้ทําวัดมาหลวงพ่อคำเขียนท่านก็เทศนะก็เป mm ิดเอ่อเปิดเปิดสื่อที่เคยบันทึกไว้ท่านก็พูดถึงเรื่องการเห็นที่ไม่เข้าไปเป็นโอ้ชัดเจนเห็นไม่เข้าไปเป็น เห็นทุกไม่เป็นทุกเห็นสุขไม่เป็นสุขเห็นอะไรไม่เป็นทั้งหมดเลยนี่ท่านบอกว่าท่านมั่นใจมากเพราะว่ามันไม่ได้จำทฤษฎีนะแต่เป็นประสบการณ์ตรงซึ่งหลวงพ่อได้พบเห็นด้วยตนเองว่าการที่เห็นนี่แหละเห็นอะไรมันไม่เป็นสิ่งนั้นเลยนะเห็นอะไรไม่เป็นสิ่งนั้นเลยเหมือนกับว่ามันหลุดเออท่านบอกอย่างนียถ้าเห็นแล้วมันจะหลุดมันจะพ้นพ้นพ้นเอท่านย้า เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาฝึกซ้อมเรื่องของการการเห็นนี่แหละนะนะว่าเราเห็นเป็นอย่างที่หลวงพ่อกำเขียนท่านเห็นไหมนะก็สิ่งที่ต้องใช้วันนี้หลวงพ่อก็เอาสิ่งที่ใกล้ตัวนะพวกเราก็ต้องต้องฝึกร่วมกันทำร่วมกันเนาะแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่พร้อมเพราะว่ายัางทำงานอยู่แต่ว่าถ้าคนไหนพร้อมก็ลองมานะมาฝึก มาทดลองฮะมาทดลองนะความรู้เก่าลองวางไว้ก่อนมันไม่หายไปไหนหรอกเพราะว่าสิ่งที่เราไปเรียนรู้มาเราจํามามันก็คงยังอยู่ที่ ท, ที่ใจของเราแหละแต่ว่าวางสิ่งนั้นไปก่อนแล้วลองมามาเรียนรู้กับสิ่งใหม่แต่สิ่งใหม่นี้มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่หลวงพ่อประดิษฐ์นะสร้างขึ้นมาใหม่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันแม้กระทั่งตอนเนี้ยก็มีอยู่ แต่ทีนี้ถ้าหลวงพ่อพูดลอยๆแบบเนี้ยก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรอะที่มีอยู่เดี๋ยวหลวงพ่อจะบอกจะบอกเป็นเป็นเป็นขั้นเป็นตอนไปนะสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือโทรศัพท์ของเราไงมีอยู่ะแล้วตอนนี้เราก็เปิดคลับเนาะเข้ามานี่สิ่งที่มีอยู่นะทีนี้เอาสิ่งที่มาอยู่ที่มีอยู่เนี่ยมาหยิบขึ้นมาเนาะแล้วก็มองไปที่โทรศัพท์มองไปที่โทรศัพท์ มองแบบสบายเนี่ยเป็นชีวิตประจําวันเนี่ยไม่ต้องไปไปอะไรมันนะเพราะว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดต่อไปเนี้ยคือเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในชีวิตประจําวันเมื่อมองไปที่โทรศัพท์เนี่ยอออืเออ่ถ้าโดยทั่วไปนะเมื่อมี อ, อมีคําบอกมีคําเ อ, อพูดให้มองเราก็มองไปที่โทรศัพท์แหละอืมแต่ความเป็นจริงอะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เห็นแค่โทรศัพท์อืม มันจะเห็นมากไปกว่านั้นนะเห็นมากไปกว่านั้นเนี่ยถ้าหลวงพ่อจะขยายความก็คือว่าเอาเมื่อหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสิ่งที่มองเห็นมากกว่านั้นก็คืออะไรล่ะก็มือของเราอ่ะมือของเราก็จับโทรศัพท์อยู่นะแล้วก็สิ่งที่เห็นก็ไม่ใช่แค่หลวงพ่อบอกเท่านี้อีกก็ยังมีอยู่อีกนะเยอะแ ย, ยะไปหมดสิ่งที่ถูกเห็นมากมายนะแต่สิ่งที่หลวงพ่อต้องการสื่อหลวงพ่อไม่ได้ต้องการสื่อตรงนี้ ต้องการสื่อให้รู้ตัวเราขณะที่เรามองโทรศัพท์อยอู่่ขณะที่เรามองโทรศัพท์อยู่ก็ให้รู้ตัวเราด้วยตรงนี้คนที่ง่ายก็ง่ายเลยนะรู้ตัวเราทำไมจะรู้ไม่ได้แต่คนที่ไม่เข้าใจเ็าอาจจะงงๆงรู้ตัวเรารู้ยังไง ร, รู้อะไรรู้ตรงไหนโอ้คาถามความคิดเยอะมากเลย แต่ถ้าคนที่มีประสบการณ์ไม่ต้องใช้ความคิดเลยพอบอกให้รู้ตัวเราปั๊บมันรู้เลยว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้ถือโทรศัพท์ตัวเราเป็นผู้มองโทรศัพท์อยู่ก็รู้มาที่ตัวเราได้เลยโดยไม่ต้องคิดให้สลับซับซ้อนอะไรนะทีนี้ถ้าโยมเข้าใจได้ว่าอ๋อโอรู้ตัวเราเนี่ยมันไม่ต้องคิดจริงๆที่มันไม่ต้องคิดเพราะว่ามันรู้จักตัวเรามาตั้งนานแล้วนะรู้จักตัวเราตัวเราคือไม่ใช่ตัวคนอื่น พอมาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเมื่อรู้จักตัวเราแล้วเนี่ยโยมก็ยังมองตัวศัพท์อยู่แต่ก็มันก็ยังรู้ตัวเราอยู่อตอนนี้ตอนนี้คล้ายๆว่ามันรู้มันรู้พร้อมๆประมาณอย่างนี้คือมันรู้ทั้งตัวศัพท์แล้วก็รู้ทั้งตัวเราตรงนีนนะ้พอมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่แต่ต้องรู้ตัวรให้เป็นก่อนนะในขั้นนี้เนาะคิดว่าทุกคนรู้ตัวเองเป็นแล้ว แต่สิ่งที่หลวงพ่อจะค่อยๆชี้ค่อยๆบอกก็คือเรื่องต่อไปนี้ยอมลองรู้นะว่าไอ้ที่รู้ตัวเราเนี่ยไอ้นี้ให้พี่นาเล่นๆไปก่อนโทรศัพท์มันเป็นคนรู้ตัวเราหรือว่าอะไรมารู้ตัวเรา เพราะตัวเราเนี่ยมันต้องมีผู้รู้แน่นอนถ้าไม่มีผู้รู้จะรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนมองโทรศัพท์ใช่ไหมอ่เพราะนั้นมันก็ต้องมีผู้ผู้ผู้รู้อยู่รู้ว่าเราเนี่ยมองโทรศัพท์หลวงพ่อก็เลยถามว่าโทรศัพท์มันรู้เราหรือเปล่าคิดว่าไม่มีใครตอบว่าโทรศัพท์เป็นผู้รู้เราเนาะเพราะโทรศัพท์มันไม่รู้เรื่องตามระดับพื้นฐานความรู้ที่มีอยู่โทรศัพท์มันก็ไม่มีตาไม่มีหูไม่มีอะไรมันรู้เราไม่ได้หรอก แต่สิ่งที่เราไม่เคยเฉลียวใจเลยเนี่ยทั้งๆ ท, งที่ตัวเราเนี่ยถูกรู้มาตลอดแต่เ็ไม่เคยเฉลียวใจเลยว่าไอธรรมชาติหรือว่าอะไรที่มารู้ตัวเราตรงนี้หลว ง, งพ่อต้องการชี้ให้เห็นว่ามันมีแน่นอนเลยสิ่งที่รู้ตัวเราถ้าไม่มีตัวเราก็ไม่อาจจะเป็นสิ่งถูกรู้ได้เพตัะนั้นเดี๋ยวนี้ตอนนี้มันมีผู้รู้ตัวเราอยู่ ทีนี้เราลองมาค่อยๆ ค, คิดนะหลวงพ่อคือยังไม่อยากจะเฉลยตรงๆนะบางคนบอกว่ า, าสมมติหลวงพ่อถามว่าแล้วใครมารู้ตัวเราว่าเราดูโทรศัพท์อยู่บางคนก็บอกว่าก็ผมละสิผมเป็นคนรู้ว่าตัวผมเป็นคนดูโทรศัพท์นี่ก็เลยคุยกันแล้วว่าเอาตัวผมจริงๆมันควรจะมีกี่ตัวผู้ตอบก็บอกว่าก็ควรจะมีตัวเดียว แต่ทำไมตอนนี้มันมีสองตัวล่ะคือตัวผมเป็นผู้เป็นผู้ถูกมองใช่ไ้ยแล้วก็ผมอีกคนหนึ่งเป็นผู้ผู้รู้เราผู้รู้ผู้รู้ตัวผมกลายเป็นตัวผมมีสองตัวทั้งทั้งที่ความจริงมันรู้สึกว่าตัวผมควรจะมีตัวเดียวอ้าวทีนี้เราก็มาชำระกันว่าแล้วไอ้ตัวที่รู้ตัวผมเนี่ยไอ้ตัวนั้นอ่ะมันคือใครมันอยู่ที่ไหน ปรากฏว่าไอ้ตัวผมไอ้คนที่ถูกรู้เนี่ยก็หาไอ้ตัวผมที่มารู้ตัวผมไม่เจอก็ก็ตอบคำถามไม่ได้ว่าเออแล้วมันยังไงล่ะไอ้ตัวผมที่รู้ตัวผมแต่ตัวผมที่รู้ตัวผมมันไม่รู้อยู่ไหนผมหามันไม่เจอแต่มันก็รู้ว่าตัวผมมีอยู่สุดท้ายมันก็ก็คิดไม่ออกทีนี้ท้าหลวงพ่อจะ ชี้บอกก็ยังชี้บอกไม่ได้เดี๋ยวให้ให้ดูไปดูกลับไปดูโทรศัพท์ใหม่ดูโทรศัพท์แล้วมันก็รู้ตัวเราให้ดูโทรศัพท์แล้วก็รู้ตัวเราอืดูไปดูมาดูไปตูมามันก็รู้ตัวเราชัดขึ้นเลยเพราะว่ามันชํานาญแล้วนี่เนาะเออมันเริ่มชํานาญในการที่จะรู้ตัวเราชัดขึ้น พอหยิบตัโทรศัพท์มาปับ๊บโอ้โหมันรู้ตัวเราทุกทีเลยพอหยิบโทรศัพท์ปับ๊บมันรู้ตัวเราทุกทีเลยตรงนี้แหละสิ่งที่หลวงพ่อเหมือนกับพยายามจะบอกกับพวกเราทุกวันเลยเนาะว่าธรรมชาตินั้นมันมีนมอยู่แต่ธรรมชาตินั้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราแล้วละ่ะเพราะตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้อ่าธรรมชาติอันนั้นเนี่ย แต่ถ้าตอนนี้โยมต้อ ง, องเข้าใจได้นะว่ามันต้องมีอยู่มีอยู่แต่ทีนี้ว่าเราจะเรียกธรรมชาตินั้นว่าอย่างไรหลวงพ่อก็ตั้งชื่อไปก่อนดีไหมหรือว่าไม่ตั้งดีกว่าเอาเป็นว่าธรรมชาตินั้นมีอยู่เนาะแต่มันรู้เราได้ทีนี้โยมลองพิจารณ์ที่ว่าไอ้ตัวเราเมื่อเป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วเนี่ยตัวเราเมื่อเป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยเราพิจารณาถึงเรื่องความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่า เออตัวเราเนี่ยมันอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์หรือเปล่าอย่างน้อยก็รู้แหละรู้คร่าวๆก็คือว่าตัวเราเนี่ยที่เป็นผู้ดูโทรศัพท์ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายไปนะตายแ น, น่นอนนะตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วแหละตายแน่นอนเมื่อตายแล้วก็หมดเลยก็คือหาซากไม่เจอเพราะมันเป็นคีบคีบฝุ่นเป็นผงเนาะแล้วก็ไปทิ้งไปรอยอังคารไปรอยแม่น้ําสุดท้ายก็ต่อกันไม่ติด ก็คือความเป็นตัวเราก็ไม่มีที่มีอยู่ก็นั่นแหละเป็นเศษฝุ่นเล็กๆสุดท้ายก็หาไม่เจอนะแต่มันก็มีอยู่ในในธรรมชาตินี้แหละพวกพวกอะไรนะพวกพวกพวกน้ำที่เคยอยู่ในร่างกายนะมันก็กระจายไปเป็นน้าตามธรรมชาติพวกพวกดินที่เป็นของแข็งพวกกระดูกพวกเนื้อหนังอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ถูกเป่าไหม้หายไปแล้วก็เศษๆต่าง ๆ, างๆมันก็เป็นขี้ฝุ่น แล้วก็มันเป็นดินตามธรรมชาตินะลมที่เคยมีอยู่ในร่างกายนะมันก็เป็นเป็นลมที่เป็นลมตามธรรมชาติพัดทั่วไปหมดอมืแล้วก็ดินน้ําไฟความร้อนธาตุธาตุไฟที่มีเคยมีมีอยู่ในร่างกายความอบอุ่นอะไรพวกนี้พอร่างกายแตกดับปับ๊บถูกเผาเรียบร้อยธาตุไฟก็เป็นเป็นไฟตามธรรมชาติคือเป็นความอบอุ่นตามธรรมชาติ เพราะนั้นตัวเราทั้งตัวก็คือหมดแล้วไม่มีเหลือเพราะดินสู่ดินน้ำสู่น้ำไฟสู่ไฟลมสู่ลมส่วนวิญญาณวิญญาณธาตุที่เคยผสมกับดินน้ำไฟลมมันก็กับคืนสู่ธรรมชาติเหมือนกันคือก็ยังเป็นธาตุธาตุรู้ตามธรรมชาติอยูอ่เป็นวิญญาณธาตุ แต่ทีนี้อะไรเล่าล่ะที่มารู้ตัวเราไอ้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเนี่ยตอนนี้ยังรู้ตัวเราอยู่เี่อันนี้มันก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันเออมันเป็นธรรมชาติเหมือนกันแล้วธรรมชาติที่รู้ธรรมชาติที่รู้เนี่ยมันตายไหมนะมันตายไปกับร่างกายไหมปรากฏว่ามันไม่น่าจะตายไปกับร่างกายเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มารู้ตัวเรา เออเมื ables, ่อตัวเราตายธรรมชาติอันนั้นมันก็มันก็มันไม่ตายด้วยสิเพราะว่ามันไม่ใช่เราอะธรรมชาติที่รู้เราเนาะมันไม่ใช่เราตรงนี้ก็จะพบจะจะเข้าใจได้เลยว่าหมายถึงก็ต้องเข้าใจตอนที่มีชีวิตเป็นๆนี่แหละเพราะว่าถ้าตายไปแล้วมันเข้าใจไม่ได้ก็จะทําให้เข้าใจเลยว่าไอ้ธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันก็ไม่ใช่ขันห้าด้วยมันไม่ใช่ดิน ไม่ใช่น้ําไม่ใช่ไฟไม่ใช่ลมไม่ใช่อากาศแต่มันเป็นธรรมชาติรู้เพราะฉะนั้นธรรมชาติรู้นี่แหละกับธรรมชาติที่อธิบายยากตรงนี้ไอ้ธรรมชาติรู้เนี่ยมันไม่ตายไปกับขันห่านะมันไม่แตกไปกับขันห่าแต่มันก็ยังคงเป็นเป็นธรรมชาติรู้เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นธรรมชาติรู้อันนี้แหละเป็นธรรมชาติที่มันไม่ทุกข์มันไม่มีทุกข์นะ่ะ มันไม่เป็นทุกข์ถ้าปรับกับคำพูดของหลวงพ่อกําเขียนไอธรรมชาติรู้นี่แหละก็คือธรรมชาติที่เห็นตัวเราเออธรรมชาติที่เห็นตัวเราเราจะอยู่ที่ไหนหลวงพ่อกําเขียนบอกว่ามันรู้เราหมดมันก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่งเรานั่งอยู่ที่นี่มันก็เห็นเราอยู่ที่นี่แล้วก็เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ด้วยแต่ธรรมชาติธรรมชาติเห็นธรรมชาติอันนั้นแหละมันไม่ได้เป็นตัวเรามันจึงพ้น ผลไปจากอะไรตัวเราเป็นตัวเราแก่เจ็บตายไปใช่ไหมแต่ธรรมชาติอันนั้นนะมันไม่เป็นตัวเรามันจึงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วในตัวเราเนี่ยมันเป็นขันห้าเนาะมีทุกทุกขเวทนาความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจความผิดหวังต่างๆ่านงะเวลาตายไปแล้วมันก็ดับไปแต่ธรรมชาติอันนั้นเนี่ยที่มารู้เราเนี่ยมันไม่เคยโศกเศร้าเสียใจมันไม่เคย ไม่สบายกายมันไม่เคยไม่สบายใจเพราะมันเป็นคนละสิ่งกับตัวเราอันนี้แหละเป็นธรรมชาติที่หลุดพ้นจากตัวเราเป็นธรรมชาติที่พ้นพ้นจากทุกพ้นจากสุขพ้นจากทุกสิ่งทุกสิ่งเออพ้นจากทุกสิ่งในขันห้าในพ้นจากทุกสิ่งที่เป็นขันห้าเพราะมันไม่ใช่ขันห้ามันเป็นความหลุดพ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตตอนที่ยังเป็นเป็นเนี่ยนะถ้าอยู่อย่างเป็นผู้ไม่มีทุก์เนี่ยก็คือให้รู้ตัวให้รู้ตัวเรา รู้ตัวเราเหมือนกับรู้อยู่ตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยดูโทรศัพท์แล้วก็รู้ตัวเราเห็นอยู่เห็นตัวเราอยู่รู้ตัวเราอยู่แล้วก็เพียงแค่รู้ว่าตัวเรามีอยู่ตัวเราเป็นยังไง <Ooh. S 1> ก็ได้แต่เห็นตัวเราจะสุขจะทุกข์แต่ก็ได้แต่เห็นอย่างนี้เ็าเรียกว่าพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาตินี้นะพ้นทุกข์ไม่เป็นทุกข์พ้นตอนไหนก็พ้นที่เห็นตอนเห็นตัวเราเดี๋ยวนี้ ตัวเรานั่งอยู่มีความเจ็บมีความเมื่อยใช่ไหมถือตัวทรัพท์นานเนี่ยสมมติเนี่ยมีความเมื่อยแต่ไอธรรมชาติที่เห็นตัวเราอะ่ะมันไม่ได้ถือตัวทรัพท์มันไม่ได้เมื่อยด้วยอแต่มันเห็นตัวเราเมื่อยแต่ตัวเราจริงๆก็เข้าใจกันได้อยู่แล้วเนะว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่ขันห้ามันเป็นแค่สังขารแต่เวลาหลวงพ่อพูดคําว่าตัวเราตัวเราเนี่ยก็คือเอาคําสมมุติมาใช้อืม ตัวเราไม่มีอยู่จริงมีแต่ขันห้าแตกดับไปนะขันห้าก็มีทุกข์ไปในตัวของมันนะแต่ธรรมชาติที่เห็นทุกข์มันก็ไม่ได้เป็นทุกขนะ์มันเป็นธรรมชาติที่พ้นไปแล้วจากทุกข์นี่แหละตอนชีมีชีวิตเป็นๆ เ, เนี่ยให้เราเข้าใจเรื่องธรรมชาติที่เห็นเราที่รู้เรานี่แหละว่านี่ธรรมชาตินี่คือพ้นทุกข์จริงๆเพราะนั้นการพ้นทุกข์ไม่ต้องหาที่ไหนเพียงแต่รู้แจ้งต่อตัวเรานะ ตอนนี้ก็รู้ตัวเราชัดแล้วจะเดินจะนั่งก็ให้รู้ไปตามรู้ไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่เป็นเรานะไอ้ตัวเข้าใจกันตรงกันแล้วว่ามันไม่ใช่เราแต่มันเป็นธรรมชาติที่มีคุณสมบัติคือรู้เราได้มันรู้เราได้ก็ต่อเมื่อไม่ขาดสตินะเมื่อกี้ที่ให้ดูโทรศัพท์อะ่ะถ้าขาดสติมันไม่รู้เราหรอกเพราะว่ามัวแต่ดูโทรศัพท์อยู่แต่ถ้ามีสติปับ๊บมันก็จะรู้เรา เพราะนั้นธรรมชาติอันนั้นเนี่ยมันก็ต้องอย่างน้อยก็บื้องต้นนี่คือต้องประกอบด้วยสติก่อนสติถ้าไม่มีสติมันก็รู้เราไม่ได้เมื่อมีสติมันก็รู้เรานะแต่ถ้าฝึกให้รู้เรามากๆมากๆสติเนี่ยมันก็จะกลายเป็น เ, เป็นป็นญาณก็ได้นะเป็นญาณรู้นะเป็นปัญญาสตินั้นก็เป็นปัญญาเพราะเห็นแจ้งต่อตัวเราว่าตัวเราเนี่ย มันเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็มันก็มีปัญญาเต็มที่เลยนะก็เป็นสติปัญญาไปแล้วก็มันก็รู้ว่ามันอ่ะมันเป็นสิ่งที่พ้นไปจากขันห้านะมันก็เลยเป็นปัญญาวีมุติเป็นวีมุตไปเลยวีมุตก็คือหลุดพ้นอ่ะมันหลุดพ้นเนี่ยหลุดพ้นตั้งแต่รู้เราแล้วแหละความจริงอ่ะแต่ว่าปัญญาเนี่ยมันยังไม่เกิด เต็มที่ก็เลยเหมือนกับมองไม่ออกว่าหลุดพ้นได้ยังไงแต่เมื่อมันรู้เราบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเข้าใจไปเองว่าอ๋อไอ้รู้นี่แหละคือเป็นรู้วิมุตเป็นรู้ที่หลุดพ้นหลุดพ้นไปจากทุกนั่นแหละก็คือเป็นวิมุตหลุดพ้นสู่อะไรก็สู่ความไม่ทุกข์ก็คือสู่นิพพานเออเนั้นเนี่ยหลวงพ่อทำ เ, เหมือนกับว่าพูดมาตามลาดับที่จะให้เข้าใจว่าเออการพ้นทุกเนี่ยมันพ้นทุกโดยวิธีไหน มันก็พ้นทุกได้โดยวิธีรู้สึกตัวแบบนี้ทีนี้ถ้าเราเข้าใจในเรื่องของที่หลวงพ่อยกตัวอย่างแล้วเนี่ยต่อไปก็ขยายผลก็คือว่าไม่จำเป็นต้องมายกตัรศัพท์มาดูกันแบบนี้ต่อไปเนี่ยถ้ามันชำนาญเนี่ยมันไม่ต้องเอาตัวอื่นมาตัวเปรียบเทียบแล้วเพราะมันรู้จักตัวเราอย่างดีแล้วไม่ต้องเอาไม่ต้องมาทำเปรียบเทียบแบบรู้ภายนอกบ้างรู้ภายในบ้างไม่ต้องแล้ว เพราะมันรู้จักตัวเราเป็นอย่างดีแล้วเพราะนั้นเวลาจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็ตามติดเลยเป็นเงาไปเลยเป็นเงาตามตัวตัวเราจะไปเดินที่ไหนจะไปทําอะไรที่ไหนมันรู้เราหมดเลยเพราะฉะนั้นขณะรู้เราอยู่ตลอดเวลาอย่างเนี้ยนั่นก็คือเรียกว่าอยู่ด้วยความไม่เป็นทุกข์นะแต่ตัวเราอ่ะยังมีทุกข์เหมือนเดิมยังหนาวเนี่ยอากาศหนาวตอนเนี้ยตัวเรายังหนาวเหมือนเดิมแต่ไอตัวที่เห็นเราอ่ะที่รู้เราอ่ะมันไม่หนาวด้วยไงเพราะมันได้แต่เห็นได้แต่รู้ เหมือนที่หลวงพ่อกำเขียนว่าเห็นแต่ไม่เข้าไปเป็นนะถ้าพวกเราเข้าใจตรงนี้ตรงนีนะ้เข้าใจในระดับเข้าใจหรือว่าอาจจะมันอาจจะเข้าใจถึงใจนะเข้าใจถึงใจก็ไปต่อยอดเราเองคือพัฒนาเรื่องความรู้สึกตัวให้ให้มากให้ทีมากขึ้นมากขึ้นแล้วการรู้สึกตัวแบบนี้มันจะไม่เหมือนเก่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอาตัวเราไปเป็นผู้รู้สึกตัวนะ เอาตัวเราไปเป็นผู้เพ่งผู้ดูแต่ถ้าลักษณะที่หลวงพ่อพูดแบบนี้โโหมันสว่างสวัยมันกว้างขวางมันเบามันเบาที่มันเบาเพราะว่าอะไรอะ่ะไม่มีตัวเราเป็นผู้เพ่งแต่มันมีความรู้ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันรู้เราก็เลยทำให้เห็นความแตกต่าง ไ, ได้ค่ะแล้วก็ท่านกาลังพูดถึงสิ่งที่ไม่ปรากฏนะคะก็คือเหมือนกับว่า ให้สังเกตง่ายสิ่งใดนะคะที่มันเคลื่อนไหวแม้แต่นิดเดียวนะคะสิ่งนั้ น, เ, นเป็นสิ่งที่เราถูกรู้เป็นเหมือนเงาในกระจกนะะนะเาานี่ยนะะนัคือมายาทั้งสิ่งใดที่ไม่เคลื่อนไหวไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวนะคะได้แต่รู้อย่างเดียวนะคะอันนั้นคือเป็นสิ่งเป็นธรรมที่แท้เนะีคะเป็นของแท้นะคะถ้าเราพยายามบังคับเงาในกระจกให้มันไม่เคลื่อนไหวหรือว่าจะพยายามควบคุมมันเนี่ยเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งไปเพิ่มตัวเราในกระจกเข้าไปอีกนะคะก็ปล่อยให้สิ่งที่เคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวของมันเป็นอิสระอย่างนั้นนะคะนะคะใจก็จะเป็นความรู้ที่ไม่ปรากฏตัวตนของใจอย่างอิสระเช่นเดียวกันนะคะหลวงป้าพูดถึงว่ า, าตอนธรรมวัดเย็นเนอ ะ, ะนก็มีรูป รูปหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยรูปใหญ่มากเลยน่าจะเคยเห็นใน youtube แล้วแนหะรูปเนี่ยเป็นรูปที่วาดเนะาะใหญ่จังอยู่กลางศาลาใช่ไหมฮะใช่<อ>หลวงพ่อก็นั่งสวดมนต์คือนั่งอันหน้าเข้าหากันอ่า ห, หลวงพ่อก็มองไปที่รูปหลวงพ่อคำเขียนเนาะแล้วทีนี้มันก็ต้องเห็นตัวเองเพราะว่ามั น, มนชํนานาญอยู่แล้วนี่เนาอะพอเห็นหลวงพ่อคำเขียนมันก็รู้ตัวเราอะ่ระพอรู้ตัวเราเสร็จ เราก็มองแบบพิจารณาไปเรื่อยอ่ะนะว่าอหลวงพ่อคำเขียนมีหน้ามีตาหลวงพ่อกำเขียนก็หันหน้ามาทางเราเราก็หันหน้าไปหาหลวงพ่อคำเขียนทีนี้ก็มองไปมองมามันก็เห็นสองสองสองอันแหละคือหลวงพ่อกำเขียนก็เป็นสิ่งถูกรู้ตัวหลวงพ่อเองก็เป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเข้าใจในเรื่องผู้รู้เราไม่ยากเลยเหมือนกับว่าผู้รู้เราเนี่ยมีอยู่แต่ไม่รู้อยู่ในอากาศหรืออยู่ตรงไหนคือบอกตำแหน่งไม่ได้ แต่รู้ได้อย่างเดียวว่าธรรมชาติที่รู้เรามีอยู่นะเออพอรู้เราเสร็จแล้วเนี่ยมันก็แยกง่ายเลยว่าไอา้ตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายแต่ธรรมชาติรู้เนี่ยเป็นความไม่ปรากฏนะเมื่อเป็นความไม่ปรากฏต้องพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายแน่นอนเพราะว่าไม่ปรากฏไงเออมันก็เป็นความไม่เหมือนกับจะเรียกว่าไม่มีมันก็ไม่เชิงเพราะว่ามันมีมีความรู้เออมีการรู้เรา แต่สิ่งที่มันไม่ตายก็คือว่ามันไม่รู้เอาจะเอาอะไรมาตายเพราะมันไม่แบบไม่ปรากฏเนาะออการเกิดก็ไม่มีการตั้งอยู่ก็ไม่มีมแล้วมันจะดับไปยังไงมันตายไปยังไงไม่ตายเพราะนั้นธรรมชาติ น, นั้นเป็นธรรมชาติที่เป็นอมตะธรรมแต่ตัวเราต่างหากเป็นธรรมชาติที่เกิดแก่เจ็บตายแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องความหลุดพ้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าก่อนเนี่ยคือเราไม่มีปัญญาว่า อ๋อจริงๆอ่ะตัวเราเนี่ยนะเดี๋ยวมันไม่มีปัญญาอย่างไงลองเทียบกันนะเมื่อเช้าหลวงพ่อพูดไปทีนึงแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยมันมันมาเห็นว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมีแค่ก้อนเดียวนะมันมีก้อนเดียวนะแล้วจะให้หลุดพ้นจากตัวเราได้ยังไงมันมองไม่เห็นทางเลยมันมองไม่ออกเพราะมันเป็นก้อนก้อนเดียวอนะ่ะแต่ทีนี้พอเริ่มฝึกสติเนี่ยมันเริ่มรู้ตัวเรานะเริ่มเห็นตัวเราว่าเออตัวเราเดินตัวเรานั่ง พอเริ่มเห็นตัวเราเนี่ยมันเข้าใจเลยว่าจากไอ้ตัวเราเป็นก้อนเดียวนเนี่ยตอนนี้มันแยกออกมาอีกสิ่งหนึ่งคือสิ่งที่มารู้ตัวเราพอสิ่งที่มารู้ตัวเราเมื่อเดินเมื่อนั่งตัวเราก็เป็นสิ่งถูกเห็นถูกรู้อยู่เรื่อยเลยมันก็เลยเข้าใจเลยว่าไอ้ตัวเราเนี่ยในตัวเราเนี่ยถ้าพูดถึงในตัวเรานะมันไม่ใช่มีก้อนเดียวแล้วมันมีธาตรู้อยู่ด้วยธาตรู้นี่แหละเป็นธาตุที่รู้ตัวเราอ่า เราจะเดินเราจะนั่งจะนอนก็แล้วแต่ธาตุรู้เนี่ยเขาตื่นแล้วเพราะเริ่มจากเพราะได้ฝึกสติเนาะธาตุรู้ก็เป็นธาตุที่ตื่นแล้วเลยก็ตื่นรู้รู้อะไรก็รู้เราหมดเลยเราจะเดินเราจะนั่งเราจะทุกข์เราจะสุขเขาเห็นเราหมดเลยแต่ธาตุรู้เนี่ยด้วยความเข้าใจจากการปฏิบัติเนี่ยรู้เลยว่าธาตุรู้เนี่ยเป็นธาตุที่หลุดพ้นเป็นธาตุที่ไม่เป็นตัวเราเราเราเหนื่อยเราแย่เรามีทุกข์อยู่แล้วแต่ ถ้าสังเกตดีๆก็คือจะรู้เลยว่าธาตุรู้เนี่ยเขาไม่มีทุกข์กับเราเลยอ่ะเขาได้แต่เห็นว่าเรา ม, ามีทุกข์เราเหนื่อยเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเหนื่อยเราเบื่อเร า, เเราง่วงนอนแต่ธาตุรู้อ่ะมันไม่ได้เป็นเราแล้วมันไม่เคยง่วงนอนมันไม่เคยเหนื่อยอจึงรู้เลยว่านี่แหละธรรมชาติที่มันพ้นทุกข์ก็เลยจับทางได้ว่าอ๋อการปฏิบัติธรรมสู่ความพ้นทุกข์คือรู้ตัว รู้ตัวก็คืออะไรรู้ละ่ะก็คือธาตุรู้นั่นแหละมันมารู้ตัวตัวเราเมื่อรู้ตัวมันก็พ้นจากตัวมันก็คือพ้นจากทุกนี่ใช้แบบใช้หลักง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นพ้นทุกเนี่ยก็คือยังไงก็แล้วแต่ต้องมาจากความรู้สึกตัวเป็นอื่นไม่ได้เลยมาจากความรู้สึกตัวนี่แหละหลักสติปัฏฐานสูตรนี่แหละเออเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็เอา้าจับทางไดเ้เขาเรียกว่าได้มักแล้วเป็นทางแล้ว ก็จะเลินมักให้มากก็คือรู้ตัวเราบ่อยๆแล้วก็การรู้ตัวเราก็ถ้ารู้เป็นแบบเมื่อกี้ที่หลวงพ่อทดลองอะนะเอาตรงนี้แหละไปต่อยอดเอาอืมให้มันให้มันแจมแจ้งแจมแจ้งแจมแจ้งยิ่งแจ้งเท่าไหร่ก็คือยิ่งพ้นทุกข์เท่านั้นอืมนี่มันเป็นเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ที่พูดมาแบบนี้ อ, อ๋อหลวงพ่อคำเขียนเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็พูดในทิศทางเดียวกันบอกว่าถ้ารู้เราเห็นเรามันก็พ้นทุกข์อ๋อ ท่านก็ใช้หลักสติปัฏฐานนั่นแหละจึงมันก็ออกมาในรูปเดียวกั น, นแล้วก็ถ้าไปพูดถึงเรื่องยานนะสติเนี่ยมันก็พูดถึงนั่นในสติปัฏฐานสูตรพูดถึงยานรู้ว่ากายมีอยู่นะกายเกิดขึ้นบ้างเสื่อมไปบ้างเวทนามีอยู่เกิดขึ้นบ้างเสื่อมไปบ้างจิตนี้อยู่เกิดขึ้นบ้างเสื่อมไปบ้างไอเสื่อมไปเกิดขึ้นบ้างเสื่อมไปบ้างอันนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานสูตรเมื่อเห็นความมีอยู่ ก็ไอความมีอยู่นะมันเป็นแค่เครื่องรู้มันเป็นแค่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการรู้นะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการระลึกได้นะพอเป็นอย่างนี้เสร็จเนี่ยเมื่อมีรู้แล้วเนี่ยมันก็เลยไม่ติดยึดกับสิ่งที่มีคือไม่ยึดกายไม่ยึดเวทนาไม่ยึดจิตแล้วก็ไม่ยึดธรรมะก็เป็นความหลุดพ้นจากสติปัฏฐานสี่แหลว่าไปนะสติปัฏฐานสีก็คือฐานที่ตั้งของของรู้ของสติ ก็มีกายมีเวทนาจิตธรรมอ่ามันมีอยู่เสื่อมบ้างมีอยู่บ้างแล้วสุดท้ายมันก็เป็นเพียงแค่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วมันก็ไม่ติดยึดกายไม่ติดยึดเวทนาไม่จิตยึดไม่ติดธรรมก็คือหลุดพ้นจากทุกสิ่งนั่นแหละมันก็อยู่ในสติปัฏฐานสูตรเลยหลุดพ้นคือไม่ติดไม่ยึดอะไรในโลกนี้โอหสูตรนี้เป็นชัดเจน